I am glad. คือเป็นคําอาราธนาของท้าวมหาพรหม <c oughs> สัตว์ทั้งหลายที่กิเลนน้อยก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านปรงพระไทยที่จะสั่งสอนเวญนยสัตว์ก็เลยมีพระท้าวมหาพรมมหมมาอาราธนาประกอบกันแท้ที่จริงพระศาสดาเนี่ยท่านอุบัติมาเพื่อที่จะสั่งสอนเวญนยศัตว์อยู่แล้ว เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วคิดดูซิสร้างบา ร, รมียี่สิบอสงไขนะ่น่ะนับตั้งแต่ปรารถนามานะทั้งออกปากทั้งไม่ออกปากทั้งผ่านการพย า, ยาพยากรณ์มาเนี่ยรวมแล้วก็ยี่สิบอสงไข่อสงไข่อสงไขยก็คือนับไม่ได้ไม่มีตัวเลขที่จะมานับยี่สิบครั้งเรามาคิดดูนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกําไรแสนมหากรั แสนมหากรัปนี่มันน้อยที่ไหนเสนมหากรัปอย่างปัจจุบันนี้ท่านเรียกว่าพัทธรกรัปพัทธรกรัปพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วสพระองค์เห็นไหมยังไม่หมดนะหนึ่งกรัปเนี่ยในพัทธรกรัปยังไม่หมดยังเหลือพระรีอริยะเมตรไตรที่จะมาตราดรู้เป็นองค์สุดท้ายยังไม่หมดหนึ่งกัปนั น, นี่นานเท่าไหร่ระหว่างกับหนึ่งกัปกับหนึ่งท่านเรียกว่าอันตรกรัป ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งท้าเรียกว่า<ม>หนึ่งพุทธันดรนหนึ่งพุทธันดรโอ้หนึ่งพุทธันดอนหนึ่งเนี่็นานไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในกรอบของคาว่ากับกับนี่แหละคาว่ากับในที่นี้หมายความว่าอายุของโลกนะไม่ใช่อายุของมนุษย์ของสัตว์เป็นอายุของโลกคาว่ากับกับเนี่ย ถ้าอยากศึกษาละเอียดไปดูในในหลักในตําราในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาเพื่อที่จะมาสั่งสอนเรยียนไสยศาสตร์อยู่แล้วแท้ที่จริงตอนไปอารัธนากับเทวดานี่แหละไปอา ร, รัฐอารัธนาท่านเท้าสันดุสิทธ์มาอุบัติเสร็จแล้วทุกขั้นตอนที่ท่านได้มาอุบัตินับตั้งแต่การออกบําเพ็ญเพียรทําทุกกกิริยาอะไรต่ออะไรทุกอย่างแม้แต่ในที่สุด ตอนที่พระองค์จะหัว ล, ลึกถึงว่าทางผิดทางถูกทางตึงทางหย่อนเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเทวดาอีกอท่านเป็นคนของเทวดาว่างั้นเถอะไปที่ไหนเทวดาห้อมล้อมดูแลอุปถัมภะถากอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เทวดาทั้งหลายหนีกันเตลิดเปิดเปิงช่วงที่พญา ม, มารไปไปจนนั่นแหละพอท้าวสวัสดีมานเนี่ยเทวดาทั้งหลายนี่กลัวมากอันนี้เป็นหั ว, ห, วหน้า พญา ม, มาเลยเนะี่ยท้าวสวัสดีมานวันนั้นเนะี่ยเทวดาที่เคยไปห้อมล้อมผูนะ้ศรายหนึ่งหนีเตลเอสดเปิดเปิงไปอยู่นูน่นขอบเขาจักรวาล น, นั่นนะ่ะอยู่ไม่ได้กลัวกลัวพญา ม, มาแต่บา ร, รมีของท่านกับไม่มีวิตกไม่มีกังวลอะไรแหละพญา ม, มาทําไงจะสู้ท่านได้เพราะท่านพาฝ่าอุปศักทั้งหลายทั้งปวงทำมาได้หมดเรามาคิดดูแต่ว่าท่านเสียสละได้แม้กระทั่ง อวัยวะเสียสลักได้แม้กระทั่งชีวิตขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ความรู้เหล่านี้ขอให้ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่เคยเสียสลักเท่ากับพระองค์จะไปสู้พระองค์ได้ยังไงสู้ไม่ได้เทวะประทัตพยายามจะมาแข็งความจะมาแข็งข้อความจะมาแข่งทุกอย่างกับพระองค์ที่ไปสู้อะไรได้ก็คนไม่มีบา ร, รมีคนไม่มีบุญคนไม่ได้ทําเอาไว้คุณติจารณ์สร้างเอาไว้หมดแล้ว ดูแต่พญามารไปจนมันจะมีอะไรไประคายเคืองอพระองค์ไม่มีแพ้แพ้ตั้งแต่ยังตวังยังไม่ตกดิน่ะวันนั้นวันที่พระองค์จะเอาจริงเอาจังนั่นพญามารก็เกี่ยวข้องมาเรื่อยๆพญามา น, นี่ก็คือเทวดาชั้นสูงๆนั่นท้าวสวัสดีมานแหมมารกับพุทธะมันต่างกันยังไงมารกับพุท ธ, ธะมารก็คือพวก ฝ, ก ฝ, กฝกกัดฝ่ายกิเลส เป็นใหญ่ได้ไหมเป็นใหญ่ได้แต่ก็เป็นใหญ่ได้แบบมานั่นแหละเรามาดูหัวหน้าของเราก็เหมือนกันนั่นแหละหัวหน้าของเราที่ไม่ใช่พุทธะเนี่ยอ่าจะเป็นพุทธะหรือจะเป็นมารเราดูนะเราดูออกเราดูออกเรื่องของพุทธะเนี่ยท่านไม่มีเห็นแก่ตัวโกยออกโกยออกโกยออกโกยออกไม่มีเห็นแก่ตัวแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของมานี่โกยเข้าโกยเข้าโกยเข้าโกยเข้า โกยข้าออตัวอันนี้คือเรื่องของมารเรื่องของพญา ม, มาร น, นี่ตั้งนโมหรื อ, อยังยังไม่ได้ตั้งนโมเลยเนาะโอ้จะเตลิดเปิดเปลืองเลยนี่อา้าวไหวครูซะก่อน <c oughs> <c oughs> นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธชนาโมตัสสะ พระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตฐาสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตฐาน <c> ะ <oughs> <c oughs> กาเลนะธรมัสวนังเอตัมมังารมุตตมังกาเลนะธรมสากัชาเอตัมมังคมุตตะมันตี <c oughs> <c oughs> เราจับต่อ พฤติกรรมของหมือนให้เราดูให้ออกนอกจากดูข้างนอกออกแล้วให้ดูข้างในให้ออกข้างในใจของเราตราบใดที่เราทําอะไรก็ตามตามใจอํานาจของกิเลสตัณหาฝ่ายต่ําในหัวใจของเราทำได้ทำด้วยอํานาจของความโลภนี่คือเป็นตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพญามารแล้วทําได้ทําด้วยอํานาจของความโกรธทําด้วยอํานาจของพระของกําลังของการ ด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยเรียวด้วยแรงด้วยอำนาจด้วยอะไรก็ตามตี่คอยได้คอยได้ค อ, อยชนะคอยชนะด้วยสิ่งนี้คอยชนะด้วยสิ่งนี้จะถูกสินถู ก, ถกธรรมก็ตามไม่ถูกสินถูกธรรมก็ตามถูกกฎหมายก็ตามผิดกฎหมายก็ตามย่อมทําได้ด้วยอำนาจเหล่านี้นี่คือพยมานทํ า, าทด้<ล>ยาวยอำนาจของความโลภทําด้วยอำนาจของความโกรธอิจฉาริษยาพยาบาทยื้อแย่งแข่งดีซึ่งกันและกัน ได้สิ่งที่ต้องการนั้นแสวงหามาได้เพราะความยื้อแย่งแข่งขันบนโลกใบนี้ใครมีปัญญากว่าก็ได้ใครมีเรียวแรงมากกว่าก็ได้มเีเรียวแรงแค่คนเดียวไม่พอแล้วตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นหมู่เป็นพวกขึ้นมาเพื่อได้กำลังมากๆ ก, กำลังใหญ่ๆยกกำลังสู้กันยกกำลังสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการในที่สุดมันก็ไม่พ้นยื้อแย่ง สมบัติที่มีอยู่ในโลกเนี่ยแต่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าท่านสร้างท่านสร้างบา ร, รมีด้วยความเสียสละไม่มีก้อยเข้าเน่มีแต่ก้อยออกก้อยออกก้อยออกกอยออกการก้อยออกของพระองค์เนี่ยผลตอบสนองขึ้นมาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากอยเข้าอีกนะกอยเข้าหมายความว่าของที่จะพึงได้พึงมีในหมูน่นี้ในชุมชนนี้ในกลุ่มนี้ค่อยเราค่อยเราได้ค่อยเราได้ค่อยเราได้มากกว่าคให้เราได้ก่อนค่อยเราได้ ไอ้ที่มันดีกว่าพยายามโกยเข้าเข้ามานี่คือความเห็นแก่ตัวมีตัวมีตนคือความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของพุทธาแล้วไม่มีการเห็นแก่ตัวมีแต่โกยออกโอยออกโกยออกทําอะไรไม่ได้ทําด้วยความโลภทําด้วยเมตตาทําอะไรไม่ได้ทําด้วยความโกรธทําด้วยเมตตากรุณาไม่ได้ทำด้วยอำนาจของความรุ่มหลงมีสติมีปัญญาเพื่อแผ่เข้าไปเห็น ประโยชน์ชั้นที่สองประโยชน์ของพญามารเห็นประโยชน์ชั้นแรกคือได้มาแต่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้านั้นเห็นประโยชน์ว่าของเหล่านั้นเราไม่เอามาให้คนอื่นเอาไปคนอื่นได้ใช้ได้สอยเกาได้มีความสุขสมมติว่ามีสมบัติอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่กาเสียสละออกไปเสียสละออกไปการเสียสละออกไปโดยแท้ที่จริงโดยหลักการทําบุญนั้นนะ่ะกลายเป็นว่ามีผลเมียอนิสงฆ์มากกว่าเราโกยเข้ามา โคอยออกไปโคอยออกไป อ, อกเราดูพุทธเจ้าเราเถอะโคยออกโคอยออกไม่มีเห็นแก่ตัวไม่มีเมตตากรุณามุติตาวเบขานะเป็นพื้นเนี่ยการสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพุท ธ, ธกับการสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพญามารเราดูอย่างนี้แล้วเราก็มาอ่านจิตอ่านใจของเราเดี๋ยอรี่เราเดินตามบา ร, รมีของพญามารหรือเดินตามบา ร, รมีของพุท ธ, ธถ้าเดินตามบา ร, รมีของพุท ธ, ธ เราก็จะได้รับความชุ่มความเย็นมีเมตตากรุณาเป็นพื้นเป็นพืชเมตตาด้วยจิตด้วยใจจริงๆเมตตาด้วยจิตด้วยใจจริงๆมีการเผื่อแผ่มีการเจือจานมีการช่วยเหลือมีการอนุเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนทุกข์คนยากคนจนพอสงเคราะห์ได้พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปตามภาวะเราดูแด่พระพุทธเจานะ้าเนี่ยท่านเสียสละทรัพย์ ที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดเสียสละได้หมดสิ่งที่มีค่าที่สุดเห็นไหมเสียสละสเสียสละบุตรทิดาเหมือนอย่างพระองค์สวยชาติเป็นพระเวสสันดรเสียสละภรรยาเสียสละบุตรทิดาเสียสละอประชายาเนี่ ย, ยช่วยเจาไปขอชาลีกันหาก็ให้อ่า เทวดาแปลงเป็นพรามเท่าไปขอมัดสีก็ให้ให้ไปหมดเสียสละวัตสิ่งที่มีค่าที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงว่าเสียสละอวัยวะเป็นทานมีพูดเอาไว้เหมือนกันนะเคยศึกษาเคยเห็นบอกว่าท่านเสียสละดวงตาให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนี่คือเสียสละอวัยวะเป็นทาน ปัจจุบันนี้เราก็พอจะได้ยินอยู่บ้างได้ยินว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีไตาวายทั้งสองข้างภรรยาไตาดีทั้งสองข้างสลัให้สามีหนึ่งอันอเสียสละไตข้างหนึ่งให้ตัวเองเหลือหนึ่งข้างไปให้สามีเหลือหนึ่งข้างมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้เราเห็นว่าเป็นการเสียสละอวัยวะให้กับสามี ภรยาแบบนี้เราถือได้ว่าเป็นคู่บารมีทรายจะเทียบกันเหมือนกับพระพุทธเจ้กากับมัดนซะีเนะี่ยมัดซีเนี่ยพระเวสสันดรให้ชาลีกันหาชูชกไปเทวดาก็ช่วยดลใจให้ให้เอาไปให้ใหได้เพราะเป็นการมาช่วยเสริมบารมีให้กับพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยเสริมบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาเพื่อมรุสัมมาสัมโพธิญาณของพระเวสสันดนพรพอหลังจากชูชกเอาพ้นไปแล้ว บรรดาเสือสิงทั้งหลายที่ไปขวางทางนา ง, นางมัดซีอยู่ก็ปล่อยทางให้นางเนี่ยมาได้สะดวกแต่มาแล้วมันผิดเวลาอ่เพราะว่ากว่าชุ่ยชคจะเอาไปเนี่ยเสียเวลาเวลาไปจนค่ำ ม, มืดเวลากลับมาแล้วผิดเวลาอ่าผิดเวลาพอมาแล้วไม่เห็นลูกอ่าพระเปตสันดรก็ขู่ซะก่อนมมดไปสนุกไปเพลินกับฤาษีชีไพรที่ไหนจนค่ำ ม, มืดดึกดื่นถึงได้กลับมาเนี่ยขู่ซะก่อนอ่า ถ้าจะบอกทีเดียวเลยก็รัวจะทำใจไม่ได้คู่ให้ใจมันแข็งเสียก่อนพอหลังจากนั้นที่เยาหาลูกแหละสิ้นระยะเวลาเป็นยอดยอดนะเดินไปเดินมาเดินเรียกหาอยู่นั่นนะร้องไห้หาลูกอยู่นั่นแหละพระเวสสันดรก็หนังภาวนาเฉยเนี่ยพอได้เวลาก็เข้าไปกราบไปถามเออเราได้ให้พรามชูชกไปแล้วมานมุสนาช่วยทำบารมีให้เต็มตื้นมาด้วยกัน พอเวลาพระเวสสันดรบอกความจริงอย่างนี้นางมัดซีก็้าทุให้ชุยชกไปแล้วซา ท, ทุทั้งทั้งที่น้ำตาเต็มใบหน้านี่คือคู่บาร ม, มีทำให้บารมีของพระโพธิสัตว์เต็มตื้นขึ้นมาเสร็จแล้วให้ชาลีให้การหาไปเนี่ยทั้งฉลาดนะเป็นเหตุให้ลาเนี่ยได้ไปพบปู่ เพราะชุยชกเนี่ยเอาหลานทั้งสองไปหาปู่เพื่อจ ะ, จะไปเอาค่าไท่จนเขาไปมอมเมาเลี้ยงพราหมณ์ไปรับทานอาหารจนท้องแตก น, นนะก็เลยเป็นเหตุให้พระเจ้าปู่เนี่ยรู้ความเป็นอยู่ทุกยากลําบากของมัดสีของพระเวสันดอนเลยพากันแห่ไปรับพระเวสันดรมาเข้าเมืองเด็กเหมือนเดิมแต่ที่จริงไปก็ไปเพราะชาว ช, า เ, ชาเมืองเขาขับออกไปพระองค์ก็ไปไม่ได้ดื้อรั้นอะไรเละ ขับออกจากเมืองเพราะเหตุว่าเอาช้างที่เป็นมงคลบริจาคเป็นทานถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแท้ที่จริงช้างนั้นเป็นคู่บา ร, รมีของพระองค์ไม่ใช่ของใครแต่คนรู้ไม่ออกว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองช้างนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่างที่ท่านพูดถึงในประวัติน่ะเมืองกาลิงคะเนี่ยมันแ้งมาเจ็ดปีแล้วคนจะเป็นจะตายไม่ ไ, มได้ทาปลึก ปลูกพืชเกษตรอะไรไม่ได้ผลอะไรหละไปขอช้างมงคนมาเพื่อให้ฝนตกไม่ใช่เขาจะเอาไปเลยนะเขาจะเอามาคืนอ่าพอหลังจะให้ไปเท่านั้นแหละอ่าถู ก, ากชาวเมืองไปร้องทูลต่อพระเจ้าศรีพีอ่ะพระเจ้ากรุงศรีพีอ่ะพระอง์ก็เลยให้ออกจากเมืองพระองค์ก็ไปอ่านั่งราดชรถไปอ่าเขาก็มาขอชัขอมา ขอมาไปเหลือแต่ราชชรถไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรล่ากน่พระอินแปลงเป็นกวางทองมามาล่าล่าไปเขาขออีกให้อีกตอนนี้ก็เดินไปเลยท่านี้อ่าปุมชาลีอ่าจุงจุงอ่าอุ้มกันหาจุงชาลีไปไปที่เขาโงกดไปเพื่อบำเพ็ญพรตพรหมจันทร์เนี่ยไปบำเพ็ญ น, นี่คือพุทธะแท้มีอะไรลนะ่ะ สิ่งนั้นเกิดมาเพื่อเป็นบารมีเกิดมาเพื่อประดับบารมีมิจะเสียสละถึงขนาดนี้เลยเป็นเหตุให้หลา น, น ไ, ดได้ไปพบปู่ปู่ก็เลยมาพาแห่เข้าเมืองคืนเหมือนเดิมนี่คือประเวทคือการเสียสละอันนี้คือเสียสละบุตรทีดาภรยาเป็นทานเสียสละอวัยวะคือให้ดวงตาเป็นเป็นทานบางทีก็ท่านพูดถึงเสียสละชีวิต หมายความว่าตัดคอที่ประดับเสียด้วยเครื่องประดับประดานางการเนี่ยมากมายมหาศาลถ้าเอาไปกองกั น, ก, นก็เท่ากับเขาพระสุมเมรุแล้ว น, นะและอีกอันหนึ่งชัดสมัยพระองค์เป็นดาบบดอยู่ในป่าอตอนมันเป็ญปรมีนะเห็นเสือแม่ลูกอ่อนกำลังจะกินลูกมันก็เลยโดดไปให้เสือแม่ลูกอ่อนกินช่วยช่วยแม่เสือ เสียสละตัวเองให้เป็นอาหารให้กับแม่เสืออย่างน้อยก็ช่วยลูกมันไปได้หลายวันเสือเป็นสัตว์เลรย้ยงฉันแต่ผู้เสียสละเนี่ยมันยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจของผู้ที่เสียสละปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณใครจะไม่รักชีวิตใครจะไม่รักอวัยวะแต่ักพระองค์รักพระโพธิญาญยิ่งกว่านะยิ่งด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นบา ร, รมีขั้นนี้ระดับนี้ใครจะมาสู้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของพญา ม, มารสละได้ไหม ทรัพย์สละได้ไหมไม่ได้ลูกก็ไม่ได้เมียก็ไม่ได้ใครไปแตะก็ไม่ได้ทรัพย์สม บ, บัติอย่างอื่นแตกไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอาวียวะอาวียวะแล้วเท่านั้นแหละโง้อเลยเสียสละชีวิตเรื่องอะไรเสียสละไม่ได้แต่พระองค์เสียสละสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแรกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดคือพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะเห็นความยาวไกลทุกยากลำบากของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นคืนวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นแนหะปทมยามตั้งแต่หัวค่ำตะวันยังไม่ตกดินชนะพยามารไปแล้วปทมยามพระองค์ไจับลมอานาปานาสติอานาปานาสตินี้เป็นอารมณ์ของมหาสติปัฐานถ้าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์ของวิปัสสนา เราพูดถึงสมาธิเนี่ยสมาธิของพระองค์แนบแน่นตั้งแต่ไปเรียนกับอุทกดาบุตรอลาระดาบทเรียนจบในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วพระองค์ก็ย้อนมาดูพระไทยของพระองค์เออเราปรารถนาจะหมดทุกในหัวใจทำไมย้อนมาน่ะกองทุกอยังกองแปร่อ ย, อยู่เต็มหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ด้วยเหตุด้วยเหตุนั้นจึงลาอาจารย์ออกมาอาจารย์เหล่านั้นอายุ70ปี80ปีกว่าจาไทย รู ป, ปสมาบัติอรู ป, ปสมาบัต์แต่พระองค์พรเรียนจบในระยะเวลาที่ไม่นานหลังจากนั้นมากลับมาพระองค์ก็ทำเราพูดถึงวันนั้นเลยพระองค์ดํารงการตั้งใจภาวนาก่อนที่จะเจริญอาณาปานสติก็ตั้งที่จะเรียกว่าจารตัรงขมหาประธานมหาประธานก็คือมหาประธานประกอบ ไ, ดไปด้วยองค์สี่ตั้งสัจจาทิฐานเนื้อเลือดหงษดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที ถ้าไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดจะไม่ลุกขึ้นนี่จะเรียกว่าจารตุรงคมหาประธานาที่เรียกว่าสัจจาธิฐานสัจจาทิฐา น, าธานอนธิฐานคือความปรารถนาปรารถนาบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสัจจะก็คือแลกด้วยเลือดเนื้อเหือแทงไปเหลือหนังหุ่มกระดูกก็ตามที่ที่จะเรียกว่าจาตุกจาตุจารตุ ร, ต ร, ตรงคมหาประธานก็มหมายถึงสัจจะทั้งสี่อย่าง น, นี้แหละ จะตรองขะมาวทานอืมถ้าไม่ได้เลือดเนื้อเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดในที่สุดพระองค์ก็ผ่านไปได้พระธรรมยามได้ยาณทัศนะปุกเพได้วาษานวสติญาณเห็นภพชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายย้อนไปอู้ทําไมนานมากมายมหาสารในภพชาติที่เกิดขึ้นอแท้ที่จริงสมัยที่พระองค์เคยเกิดเป็นฤาษีพระองค์ก็ระลึกได้ เช่นอย่างเคยเกิดเป็นนารทดาบทเนี่ยระลึกชาติได้80กับอนาคต8อนาคต40กับอดีต40กับแค่เป็นดาบทนะยังไม่ได้บรรลุนะแต่มันเป็นอดีตชาติของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยระลึกระลึกได้เพราะการระลึกพบชาติได้นั้นน่ะแม้ญานโลกีเขาก็สามารถระลึกได้ แต่วันนั้นเป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นประกอบอเป็นญาณทัศนะแบบประเภทโลกุตระที่พระองค์ได้ทรงบรรลุในวันนั้นระลึกพบชาติของพระองค์ได้แล้วก็ยามท่ามกลางาได้ยาณ อ, อีกหนึ่งจุตูปปาตยาเห็นการจุติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดทำกรรมนี้ไปเกิดไป น, นั้นทํากรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้เห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย แล้ก็รู้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกรคำใดเห็นพบชาติของพระองค์ตั้งแต่หัวค่ําเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายถ้ำกลางราตรีเ mm hmm. บื่อหน่ายแล้วเกิดภพชาติเกิดตายเกิดตายในที่สุดพระไตยของพระองค์ก็หมุนอยู่กับตะปะธรรมสติสัมปชัญญะอาตปะวิริยะความภาคความเพียรสติปัญญาตล่ลําล้อมรวมพร้อมอยู่ในนั้นเป็นเหตุไปอบไปรมไปบ่มเป็นตปะธรรมแพร่เผาอาสวะในพระไตยของพระองค์ จนยามสุดท้ายอาสะวะกิเลสเหล่านั้นเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปจากขันธสันดานพระองค์ได้เข้าถึงอาสะวะขยะยานอาสะวะอาสะวะก็คือน้ำดองน้ำดองก็คือหมายถึงกิเลสตัณหานี่แหละตัณหาท่าน เ, าเรียกว่าอสะวะกิเลสท่าน เ, าเรียกว่าอาสะวะแต่แท้จริงอาสะวะคำว่าอาสะวะแปลว่าน้ําดองเครื่องดองมันดองจิตใจของเราไว้ในภพในชาติ นะให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นคำเหมือนกับเป็นคำพูดเปรียบเทียบอาสวัคคยาญาณมียาอย่างหนึ่งทราบว่าวอาสวะกิเลตในพระไัยของพระองค์เนี่ยเกิดแห้งหมดสิ้นไปขยะแปล ว, ว่าสิ้นไปสิ้นไปพิจารณามาที่พระไตรเขาบอกเกลี้ยงกล่าวหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างสิ้นเชิงเป็นเหตุให้พระองค์หมดความสงสัยได้เข้าถึง ความเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในปัิมจามในวันนั้นนี่คือที่ไปที่มาของพระพุทธเจ้าแต่ต้องหมายว่าบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นแต่เพียงว่าพระองค์มาปรุงเพื่อให้เกิดรถเกิดชาติและจะได้เข้าถึงรสชาติวิมุตติรถอย่างเที่ยงแท้แน่นอนตามที่พระองค์ประสบนี่อันนี้เราพูดถึงการเสียสละ ของพุท ธ, ธะเสียสละเพื่อความยิ่งใหญ่อย่างนี้เราไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามเราเป็นสาวกเราก็เจริญรอยตามบา ร, รมีที่พระองค์ทรงสร้างเลทานศีลภาวนาเนคขมะปัญญาวิรยะกขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบา ร, รมีทั้งสิบเนี่ยพยายามทำให้ครบเราพยายามนับลองดูเราขาดอะไรบ้างเราขาดอะไรบ้างทั้งสิบอย่างนี้ถ้ า, ากเราไม่บวชเนี่ยเราก็จะขาดขาดเนคขมะ เนคขมมะแต่ถ้าเาบวชมาเป็นเพศเนคขมมะเนี่ยจะเป็นฤาษีชีพอรจะเป็นพระเจ้าประสงค์จะเป็นอะไรก็ตามทั้งสิบอย่างเราทําได้นะทานก็ทําได้ศีลก็รักษาได้เนคขมมะเราก็ถือเพศเนคขมะคมะเนคขมมะแปลว่าการออกบวชการเสียสละวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงออกบวชที่เราเรียกว่าเนคขมมะเนคขมมานิสังสัาถา คาถาคือการออกบวชคือการออกออกจากกาม แ, แท้จริงการออกบวชนี่คือการออกจากกามเนคขมะเนคขมานิสังสกถาอานิสงของการออกจากกาม <LinkedIn S 1> การออกจากกามก็คือออกจากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเพราะอันนี้เป็นโคยจรของกิเลสตัณหาที่มันจะควยจรไปแท้จริงมันเป็นโคยจรของจิตมันเป็นโวยจรของผู้รู้คือจิตของเรา คิตของเรามันออกมามันออกไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันออกมาทางตามันก็ไปเกี่ยวกับรูปออกมาทางหูมันก็ไปเกี่ยวกับเสียงนะเสียงดีเสียงไม่ดีรูปดีรูปไม่ดีออกมาทางจมูกมันก็ไปเกี่ยวข้องกับกลิ่นกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีอ่าออกมาทางลิ้นมันก็ไปรู้บอกรสดีรสไม่ดีออกมาทางกายกายไปสัมผัสเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งหรือหยาบหรือกระด้างหรือนิ่มหรือนวลนี่ย หรือเย็นหรือร้อนนี่ออกมาทางกายคำว่ากายคำว่ากายกายในที่นี้หมายความว่ากายยะประสาทไม่ได้หมายถึงรูปกายทั้งดุนน่นหละท่านหมายถึงกายยะประสาทที่มันมีตามผิวที่มันทำให้เรารับทราบรับรู้ได้ตามผิวนี่แล้วก็แล้วก็ทางใจทางใจน้อมนึกถึงอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นธรรมารม คอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันตกล่วงไปแล้ว ม, มันนึกมันคิดมันกลุ่นมันอุ่นอยู่ในหัวใจนั่นน่ะนี่คืออารมณ์คือโคโจรของของผู้รู้ของเราของจิตของเราของกิเลสตัณหาอาสะวะของเราอันนี้คือผู้รู้มันออกมาออกมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้อทีนี้การออกจากกามทําให้ใจสงบจากสิ่งเหล่านี้อใจสงบจากสิ่งเหล่านี้ ท่านว่าใจจะเริ่มออกจากกามแท้ที่จริงการออกจากกามได้ต่อเมื่อใจของเราสงบใจสงบคือใจออกจากกามใจออกจากกามคือใจสงบเนะช่นอย่างรับบริการมพุทโทพุโทโธพุโทโธเมื่อจิตเราสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมคือพุโทโธพุโธนี่คือจิตเริ่มห่างกามจิตเริ่มทิ้งกามทิ้งวัตถุ ก, กามที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนะเพราะสิ่งเหล่านี้แหละ เวลาตัณหามันมาสวมรอยปับ๊บมันเอาไปเชื่อมไปประสานทําให้เกิดยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสและก็สิ่งเหล่านี้แหละตลอบตล่บหล้อมรวม ม, ม, มาอา่ไปถึงยอดของกา ม, ย อ, อกามยอดของกามก็คือยอดของกามะคุณเราดูไปสิคืออะไรระวังเพศสัมผัสนั่นแหละคือยอดของกามะคุณมันก็ไปจากสิ่งเหล่านี้แหละเราลองมีแต่สิ่งเหล่านี้บํารุงบําเรอ มีความพรั่งพร้อมด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยอะไรหมดทุกอย่างแต่มันก็ยังขาดอันนั้นเพราะฉะนั้นตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ทําให้เราเหนียวแน่นมันของเวลาแก้จะต้องแก้เป็นปลาะเป็นปลาะเป็นปลอกเป็นเปลอกอย่างน้อยเราทําอะไรยังไม่ได้สงบระงับเอาไว้ก่อนให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมเช่นอย่างบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธจิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมคำพุโทโธนี่เป็นธรรม พูดโทรโ ด, โดยแบบอย่างเหมือนอย่างที่พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็ทำไปตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทำไปทาไปจนจิตของเราได้รับความสงบสงบอยู่ในกับคอยู่แค่คาบริกรรมก็ตามหรือสงบจนทิ้งคาบริกรรมก็ตามท่านถือว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบก็จิตจะเริ่มมีความสุขจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวนะจิตของเราจะเริ่มรู้จิตของเราจะเริ่มตื่นที่เรียกว่าจิต รู้จิตตื่นจิตเบิกบานพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นเนื้อหาแท้ๆเป็นผลแท้ๆผลเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจทำแต่กว่าจะถึงนั้นเราจะต้องมนดเนินตามแบบอย่างเพราะถ้าเราถ้าเราไม่มีแบบอย่างโอกาสาที่จะสาเร็จผลมาอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยเมื่อจิตเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นหมดจิตของเราก็ทิ้งอารมณ์ของการมคือจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้ว หมายความว่าตัณหามันสงบตัณหามันจะมาแทรกที่รูปก็ไม่ได้ที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสก็ไม่ได้เพราะเราดึงจิตให้มาตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่สําคัญที่สุดให้พวกเราจําเอาไว้ว่าสิ่งที่รู้เด่นโโอยู่ในหัวใจของเราที่เด่นที่สุดชัดที่สุดได้ขณะละหรือครั้งละหนึ่งอารมณ์อันนี้สําคัญที่สุดทุกพุธตะชาท่นทราบข้อนี้พระองค์จึง ทำผู้รู้ให้เด่นโรอยู่อย่างนั้นจนสามารถสงบระงับดับความที่ตัณหามันเอาจิตของเราไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับดินกับรถกับสัมผัสได้จนจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวบริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอถึงที่จริงๆจิตก็อิ่มเหมือนกันนะอิ่มคําบริกรรมถึงแม้ว่าจิตทิ้งคําบริกรรมจิตก็ไม่ไปนะตัณหากระแทกจิตอย่างไม่ได้คือสติแน่นหนา สัมปชัญญะมั่นคงสติแน่นหนาะปัญญามั่นคงสมาธิแนบแน่นมั่นคองอยู่บางทีทิ้งวิตกทิ้งวิจารคือทิ้งพุทโธพุทโธจิตมีความสุขอิ่มเอิบอยู่กับอยู่กับปีติมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความเบาสบายกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบามีความสุขบางทีก็เข้าละเอียดลึก ไปมากกว่านั้นเหลือแต่ความสุขละเอียดลึกไปมากกว่านั้นเหลือแต่อุเบกขาเฉยแต่มีความรู้อยู่จำเพาะตัวแต่ถ้ามืดเงียบหายไปเลยอันนั้นไม่มีกำลังไม่มีกำลังไม่มีผู้รู้แท้ที่จริงสมาธิที่พุทิยาท่านสอนนั้นเป็นสัมมาสมาธิเวลาสงบเต็มที่จิตตื่นรู้อยู่จำเพาะตนสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นในขณะนั้นตัณหามันดับ คือมันมาแสดงให้ปรากฏตัวไม่ได้มันดับจากการที่มันดึ ก, กจิดของเราไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถกับสัมผัสพอมันดึงไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะลุกลามใหญ่โตไปเลยแหละนับตั้งแต่ความเกี่ยวข้องยินดีพอยใจธรรมดาพื้นๆถ้ายินดีในเพศตรงกันข้ามโอ้ยมันไปปรุงไปแต่งจนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแหละนั่นคืออํานาจของตัณหาอย่าลืมว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปรุง เป็นเครื่องปรุงถ้าหากกิเลสสวมรอยปั๊บเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของกิเลสถ้าหากเรามีสติมีสัมผชัญยัยกกำกับโรูอยู่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือของธรรมสามารถทําให้เรากําหนดจดจอ่อสอดส่องทะลุเข้าไปถึงถึงหลักสัจจะทำอย่างแท้จริงเนี่ยเรื่องไอเรื่องเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแท้ที่จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ไม่ใช่จิตอ่าไม่ใช่ไม่ใช่จิตแม้แต่กายก็ไม่ใช่จิต กายที่เป็นรูปรูปก็ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ใช่จิตท่านว่าเป็นอาการของจิตแท้ที่จริงขันทั้ง5นี่เป็นแค่อาการของจิตโดยเหตุที่จิตของเรามีกิเลสน่นนะจิตของเราจึงสแสวงหาสแสวงหาพบสแสวงหาชาติพบชาติบางพบบางชาติมีรูปธรรมและก็มีนามธรรมเช่นอย่างพวกเรามาได้อบัติมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายและเรามีนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เป็นอาการของใจไม่ใช่ใจการตั้งใจปฏิบัตินั้นตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้รู้กิริยาอาการเพราะตัณหาเวลามันแทรกมันแทรกมาที่กิริยาอาการเหล่านี้และมันครอบคลุมยึดจิตทําให้จิตดวงนั้นเนี่ยหมดสภาพตกอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาตัณหาคือความอยากเราดูไปแล้วเหมือนกับมันเป็นตัวร้ายกาศคอยมากัดมาแทะหัวใจของเราแท้ที่จริง มันก็คือกิริยาการที่เร็วๆของใจของเรานั่นเองเนื่องจากเรายังไม่เคยฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลวจิตของเราให้รู้ให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้หากมันเป็นกิริยาการที่มันเกิดมามันติดมาพร้อมกับผู้รู้ของเราตั้งแต่กับการโพเรชาติไหนเราทราบไม่ได้เหมือนอย่างพวกเราทุกคนเราทราบไม่ได้ว่าเราได้ผู้รู้เราได้จิตหรือเรามีจิตมาตั้งแต่กับการโพเรชาติไหนเราทราบไม่ได้แต่หากมันได้มาแล้วมันไม่บริสุทธิ์ มันมีกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยมันฉาบทามาด้วยใครฉาบทาให้เราไม่มีมันพัฒนามาของมันเองใครยื่นให้เราไม่มีหากมันพัฒนามาของมันเองแท้ที่จริงก็คือวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้กล่าวนั่นเองในใจของเราน่ยมันมีทั้งธรรมมันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งบุญมันมีทั้งบาปมันมีทั้งกรรมมันมีทั้งธรรมมันมีทั้งกิเลสปนเปื่อนมาด้วยกันเหมือนอย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์เรามีมนุษย์ จริยธรรมถ้าเราไม่มีมนุษยธรรมเราไม่ได้ม า, าบัตรเป็นมนุษย์ด้วยเหตุที่เรามีธรรมนี่เองมีคุณสมบัติพอเราม า, าบัตรเป็นมนุษย์ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์ก็มีคุณสมบัติไม่เท่ากันเราดูไปสินะบางคนเกิดมาสักแต่ว่าเป็นคนเฉยๆบ้าใบพิคนวิการสร้างความลําบากให้กับ ปกครองดูแลมากมายมหาศาลบางคนก็มีสติมีปัญญาพอปานกลางบางคนก็มีสติปัญญาดีรักษาเอาตัวรอดได้ดีบางคนเป็นอัดชัระยะบุคคลเราดูสิคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์แท้ก็ยังไม่เท่ากันนี่คือการสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันการสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันความสงบทําให้ตัณหาในใจของเรามันสงบตัณหาในใจของเรามสงบเพราะตัณหามันมีแรงไม่พอที่จะมาต่อสู้กับ แรงปัจจุบันที่เราบริกรรมอยู่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธจนจิตจิตของเราตื่นรูร้รูมันแทรกเข้ามาไม่ได้จิตของเรานั้นอะอารมณ์เด่นชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ขณะละหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นอย่างนี้ขณะต่อไปถ้าเราดํารงจิตอยู่สมมติว่าขณะนี้เราสับสนวุ่นวายขณะต่อไปเราดํารงให้นน่งให้แน่ให้แน่นให้ละเอียดเราสามารถทําได้ ขณะก่อนนั้นเรานึกเราคิดเราปรุงเรื่องความชั่วขณะต่อมาเราปรุงเรานึกเราคิดเรื่องความดีมีสติมีสัมปชัญญะกำกับโรอยู่สิ่งเหล่านั้นก็หายไปหดไปหายไปเพราะฉะนั้นวิธีการต่อสู้ตรงนี้มันตะล่อมหลอมมาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงมหาสติปัฏฐานแท้ที่จริงมหาสติปัฏฐานนั้นเป็นมงกุฎของกรรมฐานเราเจริญมหาสติปัฏฐานนั้นเจริญตามหลักของมหาสติเอาสติมาบริหารงาน สติมาบริหารงานสตินี่เป็นอุปการะคุณไม่ว่าจะเป็นงานการพื้นพื้นธรรมดาทางคดีโลกไม่ว่าจะเป็นงานการ พ, พื้นพื้นลึกเข้าไปทางข้างในถึงขั้นมรเพื่อตั้งใจปฏิบัติเพื่อได้มรได้ผลได้นิพพานแท้ที่จริงสติอันนี้มันเป็นสติที่ท่านให้เอามาพิจารณาเรื่องกายเรื่องเวญนาเรื่องจิตเรื่องธรรมจะพิจารณายัางไงมันก็ไม่เกินนี้จะพิจารณา ร่างกายทั้งหมดก็คือพิจารณากายเอาใจเอาผู้รู้ของเรานําไปพิจารณากายแท้ที่จริงสติคือความระลึกรู้สติคือความระลึกได้กว่าจิตของเราคือผู้รู้ของเราเนี่ยเป็นผู้ระลึกเพราะมันเป็นคุณสมบัติของผู้รู้ของเราเป็นคุณสมบัติของจิตของเราหากมันเป็นคุณสมบัติที่ติดมาด้วยกันมีคุณสมบัติเหล่านี้มีสติธรรมมีสัมปชัญญะธรรมอันนี้เป็นกิริยาอาการที่มันมีมาประจําจิตของเรา พอเวลาเรามาตั้งเจตจํานงแนวเจริญสติอยู่จิตของเราจะตื่นรู้รูอยู่กับสติสัมปชัญญะกํากับอยู่เนี่ยอารมณ์ที่เด่นชัดก็คือเป็นอารมณ์ที่เราเลือกมาแล้วดีมาแล้วคัดกรองมาแล้วเช่นอย่างพุทโธหรือไม่กับธรรมโมหรือไม่กับสังโฆหรืออารมณ์ใดๆก็ตามที่เราเอามาบริกรรมนั่นแหละเป็นเหตุทําให้จิตของเราสงบแนบแน่นอยู่นะ แล้วก็จัดทิ้งอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นคือจิตสงบจิตสงบทิ้งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราเอาความสงบของจิตนี่นแหละอามาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้รอบรู้อะไรรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาพิจารณากองสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันท้าเรียก ว, ว่ากองสังขารเรามีร่างกายร่างกายก็เป็นกองสังขารกองหนึ่งที่เป็นรูปธรรม เราดูไปที่ร่างกายของเราสิ่งประกอบของมันก็คือพุทธยถาทรงตรัสไว้เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟแยกให้ละเอียดมากไปกว่านั้นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังละเอียดใหญ่เข้าไปนี่คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบของมันสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นกองสังขารก็คือผู้รู้ของเราประกอบด้วยอํานาจของกิเลสความลุ่มหลงที่มีอยู่ในหัวใจของเราที่มาพร้อมกับผู้รู้ของเรา โดยเหตุที่ผู้รู้ของเราไม่ใช่หนึ่งเดียวประกอบกับสิ่งเหล่านั้นนามขันสังนามขันของเราจึงเป็นกองสังขารการที่เรามีสิทมีสัมพัญธะเพียงพอที่จะพิจารณาเพื่อทําลายความหลงในการยึดกองสังขารเหล่านี้จึงมีความจําเป็นสําหรับเรามาสอดส่องดูข้อเท็จจริงโด้วยเหตุที่เราไม่เคยมาพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ความลุ่มหลงมันก็เลยครอบงำจิตของเรา ทำให้เราหลงยึดหลงถือว่ากายเรากายของของเราเวทนาเราเวทนาของของเราสัญญาเราสัญญาของเราวิญญาณของเราวิญญาณของของเรามีความยึดถืออยู่ร่ําไปพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่ของเราขันห้าไม่ใช่ของเราแต่เรายึดเต็มแปร่วขันห้าเป็นของของเราด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาเพราะฉะนั้นพิธีการพิจารณาเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านจึงมีการแยกแยะ เป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังทําลายความเป็นก้อนเป็นแท่งเพราะคําว่าเราคําว่าเราความยึดความถือโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ก็คืออัตตามันโผล่ขึ้นมาอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่ก็คือตันหามันแทรกเข้ามาตันหามันแทกเข้ามาทีไรเมื่อไหรอัตตาเมาก็โผล่ขึ้นมาอัตตาก็คือตัวตนสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นฤทธิ์เป็นเด็ชเป็นอํานาจสามารถบอกได้บังคับได้เที่ยวเขียนได้อะไรต่ออะไรสารพัด นี่ท่านเรียกว่าเกิดอารมณ์ที่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเมื่ออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวมันก็มีแลดงพวกเราก็าล้อกับสิ่งเหล่านี้แหละที่ทะเลาะเบาะแว่งแย่งชิงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเราไม่เคยสอดส่องย้อนลึกเข้าไปเพื่อจะรู้ต้นตอของมันไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าหากเรามาเจริญกรรมฐานตรงนี้ มันจะเป็นเหตุทำให้เรามีความรอบรู้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมลึกละเอียดเข้าไปไปจนถึงสัจจะหรือของสังขารที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุให้เราลุ่มหลงเรารุ่มหลงก็คือจิตของเราแหละมันรุ่มหลงถ้าหากเราไม่มีสติไม่มีสัมผััญญาพอหลงสำคัญมั่นหมายว่ายึดเหลือเกินเรียกว่ากายเรากายของของเราแท้ที่จริงเราไม่ได้เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ ตัวเราทั้งดุ้นนี้เป็นโครงสร้างที่เราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ประกอบการเจริญพันธ์สังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่ด้วยอํานาจของอะไรด้วยอํานาจของตัณหาในใจของพ่อของแม่ตัณหาแปลว่าความอยากกิริยาของความอยากนั้นเราดูออกนะเราดูมาที่กายของเราเราดูมาที่ใจของเราใจมันยึดกายนะั่นอยากอยากอยาก ้วยอำนาจของการที่เรามีกายอยากเห็นมีตาอยากเห็นมีหูอยากได้ยินมีความสัมผัสอยากสัมผัสอยากสัมผัสเพราะฉะนั้นมีเวลามีอะไรมาสัมผัสจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแต่และอย่างเวลามาสัมผัสเข้าทำให้เรายินดีทำให้เราพอใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่ายินดีเมื่อน้าเกิดความน่ายินดีว่าสิ่งเหล่านี้ดีเลยยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาโดยเหตุที่เรา มีเป็นตัวเป็นตนยึดมาเป็นของเรานี่คือเราคือของของเราเมื่อมีเรามันก็มีของของเราได้ยินกับมอนกันได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสกเหมือนกันเราเป็นผู้ได้ยินเราเป็นผู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มเยน็นถึงขั้นไหนระดับไหนก็ตามสำคัญมันมายึดเอาถือเอาเฉยๆเวลาเรายัางดูสัจจะธรรมะข้อละเอียดลึกเข้าไปแล้วเนี่ย ไ อ, อ้ตัวกิริยาความหลงเหล่านั้นมันแต่กระจายไปเลยเวลาเราเกิดความโลภขึ้นมาเราไปย้อนไปดูความโลภเกิดความโกรธดิ้นแด้าเด้เดาขึ้นมาเราพยายามตั้ง ส, สติกำหนดจดจ่อลงไปใส่ไอ้ตัวนั้นน่ะตัวไหนตัวใจจ่อลงไปก็ใจนั่นแหละใครว่ขาขณะก่อนนั้นน่ะมันปรุงเกิดความโกรธเราดั้ร้องสติ ตั้งกําหนดจดจอปั๊บสติของเราเด่นโรขึ้นมาเนี่ยขณะข้องก่อนมันดับไปแล้วขณะใหม่มันเด่นโรขึ้นมากลายเป็นว่าอันก่อนมันดับไปแล้วอันใหม่มันโผล่ขึ้นมาถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติให้มีความรู้มีความเข้าใจก้าวหน้าเรากพยายามประคองอันนี้ให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างเราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบเรากประคองพุทโธเราประคองพุทโธเราประคองพุทโธประคอง ไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะั้นมันแทรกเข้ามาเพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของกามเราออกจากสิ่งเหล่านั้นได้คือเราออกจากกามนี่คือเนกขมะเนกขมะคือการออกออกอย่างนี้แท้ที่จริงถ้าเรายังไม่ออกจากกามกายยังก็ยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามก็คือเราติดสิ่งเหลเา่านี้แหละอะไรดึงเราให้ติดตัณหาในใจของเรานะ่ยมันดึงให้ติดมันติดชอบเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส มันดึงจิดของเราไปให้ชอบชอบด้วยเหตุที่เราไม่ได้นึกคิดพิจารณาใคร่ครวนญใ่ตรองถึงข้อเท็จจริงสัจจกที่แท้จริงของมันคืออะไรเป็นไรไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจเลยยึดถืออยู่อย่างนั้นแหละแท้จริงยินดีกิเลสมันก็ตีความหมายเข้าข้างตัวยินร้ายมันก็ตีความหมายเข้าข้างตัวเข้าข้างนิสัยสัญดานของกิเลนั่นแหละเพราะมันเคยยึดอย่างนั้นมาจนจนชินชาจนช้ำชอง แต่ถ้าหากมีสติมีสมาธิฉัญยะเด่นโรอยู่เฉพาะหน้าเนี่เห็นรูปเห็นจักจะว่าเห็นจริงๆนะยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดทำไมยินดีจึงไม่เกิดยินร้ายจึงไม่เกิดเคำว่ายินดียินร้ายหมายความว่าตัณหามันสวมรอยเข้ามามันแทรกเข้ามาเพราะเหตุว่าจิตของเราสว่างโรมีสติมีสมาธิมีปัญญากํากับพร้อมเด่นเด่นมากกว่าอารมณ์ที่เป็นเรื่องของตัณหาที่มันจะมาแทรกจิตเราได้ เพราะฉะนั้นความยินดีซึ่งเป็นเรื่องของฝักฝ่ายตันหามันจึงโผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่แหละเป็นเหตุให้เรารู้ได้เราเข้าใจและเราทราบได้ว่าโอ้ตันหาสงบระงับได้จริงตันหาที่สงบระงับตอนนี้ขณะนี้มันเป็นตันหาใหม่นะที่มันจะพึงเจริญเกิดขึ้นตามวิถีจิตของมันเช่นอย่างตาเราเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาอย่างเงี้ยวิญญาณก็คือความรู้เอาใจไปรู้เห็นรูป เกิดจักขูวิญญาณได้ยินเสียงก็เกิดโสตะวิญญาณนี่ท่าเรียกว่าตาอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะแท้ที่ยิงวิญญาณกับผัสสะมันก็ไปสัมผัสพร้อมกันนั่นแหละแต่เรามาเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งมาเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งเกิดความรู้เป็นผัสสะเป็นผัสสะทั้งทั้งรูปประธรรมเป็นผัสสะทั้งนามธรรมคือการไปสัมผัสนั่นแหละการไปสัมผัสกับวิญญาณมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลย หลังจากนั้นมาเกณฑ์ของการกระทบของการสัมผัสมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นยินดียินร้ายยินดีเป็นสุขเวทนายินร้ายเป็นทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ถ้ากเราขาดสติขาดสัมผััญญาขาดปัญญากำหมดจดจออยู่เป็นอุทกขมสุขกเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันพร้อมที่จะยินดีมันพร้อมที่จะยินร้าย โอกาสที่มันจะยืนตรงๆไม่เอียงไปยินดีไม่เอียงไปยินร้ายถ้ามีกิเลสมาสวมรอยปั๊บมันจะยืนอยู่คงที่ไม่ได้เดี๋ยวน้องไปเพื่อยินดีเดี๋ยวน้องไปเพื่อยินร้ายถ้าหากสติสัมภัญญะซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาเราโรออยู่ในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเห็นจักก็ว่าเห็นเนี่ยนี่เราเอาสติมากำกัดในหัวใจของเราอันนี้เป็นการเจริญมหาสติเป็นการเจริญสติแท้ที่จริงเรื่องสติน่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เจริญสมถตาคดสติจิตก็สงบไม่ได้เจริญวิปัสนาหรือเจริญปัญญาทตาคดสติปัญญาก็เกิดไม่ได้สติจึงเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของจิตชั้นเยี่ยมที่มีอุปการะคุณกับจิตของเราตั้งแต่พื้นพื้นจนสูงสุดวิมุติพระนิพพานอันนี้คือสติ สติที่มีกำกับอยู่ในจิตของเรามีความสำคัญมากเราทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนที่จะมีปัญญาดีทีก็คือสติเข้าดีคนมีปัญญาไม่ดีคือหลงหลงลืองล่อมลิม้วคือสติไม่ดีสติยุตอยู่ๆจะดีขึ้นมาไม่ได้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเพราะคนเราอยู่ๆเราไม่รู้โผมาอย่างไหนแหละบางที่บาปกรรมที่เคยทําไว้มากมายมหาศาลโอ้ไปเกิดเป็นเศรษจีฉันท่านั้ น, นชาติเท่านนี้ชาติความฉลาดของเราก็หายหมดแล้วแหละ หายหมดแล้วเวลากรรมเหล่านั้นหมดไปแล้วคุณสมบัติพร้อมที่จะได้เป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ปัญญาสติปัญญาความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องมาฝึกเอาใหม่แต่ด้วยเหตุที่ว่าภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถฝึกไปได้เร็วฝึกเพื่อความรอบรู้เพื่อความฉลาดมันฝึกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงเป็นภพชาติกลางๆที่เหมาะที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่พระอ่าพระ พระโพธิสัตว์ท่านมักจะม า, าบัดในโลกมนุษย์นี่แหละพูดถึงว่าเห็นทุกข์ก็เห็นได้ง่ายพูดถึงบําเพ็ญเพื่อให้บา ร, รมีเราเต็มตืน้นก็สามารถบําเพ็ญได้เต็มตื้นมาอย่างขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในภพชาติของความเป็นมนุษย์ของเรานี่เราพูดถึงเราพูดถึงเวทนาเวทนาเป็นเกณฑ์ของการกระทบแท้ที่จริงเวทนาตรง น, นี้แหละเป็นศูนย์รวมธรรมบาปจะเกิดหรือเกิดตรง น, นี้แหละบุญจะเกิดหรือเกิดตรง น, นี้กิเลสจะเกิดหรือเกิดตรง น, นี้ธรรมจะเกิดหรือเกิดตรง น, นี้ ถ้าเราสติสัมปชัญญะเราเพียงพอบุญเราจะเกิดถ้าเกิดตรงนี้แทนที่มันจะยึดตามที่เห็นรูปได้ยินเสียงมันก็ไม่ยึดเห็นสักเทว่าเห็นนี่คือไม่ก่อกรรมทําเข็ญและโอกาสที่จะมันเลื่อนไปเพื่อจะให้เกิดเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เป็นรอบๆไปจนถึงโสกปริเทวะมันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเราเห็นเราสักเทว่าเห็นปัญญามันไปตัดกิเลสจะมาสวมรอยเอาจิตของเราไปใช้เอาไปใช้ไม่ได้ กลายไปแล้วกิเลสมันก็ร่วงลงอยู่ตรงนั้นพอมากระทบปับบบป๊บมันดับกระทบปั๊บมันดับในเมื่อมันผ่านเวทนาไปไม่ได้มันมาตกอยู่ที่เวทนาใครว่าตัณหามันผ่านตรงนี้ไปไม่ได้พระสติปัญญาติปัญญามาคอยจอกกำหนดจดจ่อทำงานอยู่ตรงนี้ตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานมันก็เกิดไม่ได้ภพก็เกิดไม่ได้ชาติก็เกิดไม่ได้กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงตามมาเป็นตๆอด มันก็ตามมาไม่ได้นี่แหละคือการดับสมุทยัยการดับสมุทัยเพื่อดับกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือวิธีการดับตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรำพึงรำพันหลังจากพระ อ, องได้ตัดสู้ในที่เจ็งแหง่แหงละเจ็ดวันมันมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่พระ อ, องค์ไปทรงรำพึงรำพันถึงหลักปฏิจจสมุปบาทไปทบทวนความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงรู้ทรงเข้าใจแล้วก็ทบทวนอภิธรรมเนี่ย ในที่เจ่งแห่งๆละเจ็วันนะหลังจากพระองค์ได้ตัดสู้ที่ท่านเรียกว่าโสด ว, วิมุติสุขโสด ว, วิมุติสุขพระองค์เอาความรู้เหล่านี้แหละมาพิจารณาเนี่ยแหละนี่คือข้อหนึ่งในเมื่อตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาใหม่ไม่เกิดแต่มันยังไม่ดับมันหมองอยู่นั้นนะนะอันนี้หมายความว่าเราใช้สติใช้สัมผชัญญะกำหนดจดจอ่อในเมื่อเรารู้เราทันมันตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่ามันก็จะเริ่มเร่าร้อนแล้ว ในขณะเดียวกันตันหาเก่าก็คือจิตดวงนี้แหละไปปรุงไปแต่งไปทําพื่นมาตันหาใหม่ก็คือเส้นสายของมันที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ปกติของในโลกนี้มันมีสิ่งที่จะคอยสืบเนื่องกันเป็นเผา่าเป็นพันุ์เหมือนอย่างต้นไม้ต้นไม้มันมีดอกแล้วก็มีผลผลของมันมีเมล็ดเมล็ดของมันคอยสืบพันต่อๆไปที่วัดเรานะเรามีป่าไม้ป้องห่าง พอเวลามันตายขี่หมดทั้งดงเน่ยมันจะมีดอกแล้วก็มันจะมีหมากคือผลของมันเสร็จแล้วมันจะร่วงลงมาเต็มไปหมดในขณะเดียวกันเนี่ยกอไม้ไผ่ทั้งหมดนั่นแหะมันจะตายแห้งหมดเลยแหละตายแห้งหมดเลยฉะนั้นผลของมันที่มันตกลงมาใส่ดินน่ยฝนตกมาได้รับความชุ่มชื้นขึ้นมามันมันมันขึ้นเป็นกล้าใหม่เป็นต้นใหม่ขึ้นมาเต็มเต็บเลยเนี่ย เดี๋ยวนี้มา3าสปีมานี้มันขึ้นตึ๊บเลยที่ถ้าเต่าของเรานี่คือเผ่าพันธุ์ของพืชทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันแม้เผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันคือเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีทวดเนี่ยแจากเรานับเราลงไปมีลูกมีหลานมีเลนมันก็สืบช่วงกันอยู่อย่างนี้แหละตันหามันก็สืบช่วงเผ่าพันธุ์ของมันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีตันหาใหม่เกิดถ้าตันหาใหม่ไม่เกิดตันหาเก่า มันก็ไม่เจริญงอกเงยเจริญงอกงามของมันมันสร้างรกสร้างรากสร้างรวงสร้างราสร้างรางเพื่อความเจริญในเผ่าพันธุ์ของมันเช่นเดียวกันแต่ด้วยเหตุที่เรามาตัดตอนทำหมันมันอยู่ตรงนี้โดยการเจริญสมถะด้วยการเจริญพิปัสนามีสติกํากับจดจ่อยอยู่ตรงนี้ตัณหาใหม่เกิดไม่ได้เพราะมันเกิดไม่ได้ท่านก็กำหนดจดจ่อยอยู่อย่างนั้นในขณะที่เรารู้มันก็เริ่มเร่าร้อนแล้วอ่าเหมือน ต้นไม้ที่เราฟันข้างบนนั่นน่ะมันโผล่ขึ้นมาเราก็ฟันโผล่ขึ้นมาเราก็ฟันมันมีเงาอยู่ข้างล่างฟันบ่อยๆครั้งเข้ามันก็สามารถเน่าลงไปถึงหัวถึงเงาของมันอยู่ข้างล่างได้เหมือนกันโดยเหตุที่เราเราต่อสู้อยู่ข้างบนแล้วยังไม่พอมันก็สามารถลุกลามเข้าไปในสุดเราต้องการขุดเอาหัวมันขึ้นมาเลยตันหามันแสดงออกในปัจจุบันไม่ได้มัน ก็ต้องพิจารณาพิจารณาค้นคว้าหาตัณหาเก่าที่มันเกาะมามันยังยึดมัน่นถือมันในกายกายเรากายของของเราเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเป็นของของเราท่านก็เลยให้พิจารณากายตามขุดตามขุดดูตัณหามันพาเกาะกายเกาะอะไรกายของเราจริงหรือพิจารณาดูเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงให้แยกแยกะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอันนี้เป็นรูปธรรมเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรม ที่เป็นเรื่องของรูปธรรมนามัธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงเวทนาหลงเวทนาก็คือตัณหามันแทรกเข้ามาที่เวทนาหลักมารติท่านจึงเอามาพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกาหนโดโรู้อยู่ที่กายตัณหาแทรกมาที่เวทนาก็ไม่ได้แทรกมาที่จิตก็ไม่ได้แทรกมาที่ธรรมก็ไม่ได้เรากําหนดจดจ่ออยู่ที่เวทนาตัณหามก็แทกมาที่กายไม่ได้ แท่งมาที่จิตไม่ได้แท่งมาที่ทำไม่ได้พิจารณามาเฉพาะจิตตัณหามันก็แทรกมาที่กายที่เวทนาไม่ได้แทรกมาที่ทำไม่ได้พิจารณาอยู่เฉพาะทำมันก็แทรกมาที่กายที่เวทนาที่จิตไม่ได้ทําไมมันจึงแทรกไม่ได้เพราะจิตดวงเดียวเราเอามาทํางานในเมื่อมันตื่นรู้อยู่มันจะมีอะไรมาแทรกได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ตัณหามันครอบคลุม โอกาสที่ช่องทางที่ตันหามันจะมาสวมรอยไปในจิตของเรามันรูพรุนไปหมดนะเราไปดูเถอรูพรุนเรื่องระยังรูปพรุนไปหมดแต่เราเาจาะอุดรูรูเดียวนั่นแหละอย่างอื่นดับหมด50าสิบหกสิรู60สิช่องตามที่ท่านพูดไว้ในหลักมาซีประธานเนะี่ยเรามาอุดรูเดียวช่องเดียวนะ่ะจะอุดรูเวทนาไม่ให้ตันหามันเกิดมีสติกำหนดจดจอ่อรออยู่ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ที่ถูกกับจิตนิสัยของใคร เจริญกายานุปัสสนาอ่ามันก็ทลุไปถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมเจริญเวทนาเฉพาะจิตมันทะลุไปถึงกายถึงเวทนาอ่าถึงจิตถึงธรรมมันทะลุถึงกันหมดเพราะผู้ทํางานผู้เดียวคือผู้รู้นี่เราสามารถกําหนดโรอยูนะ่ท่านยืงนให้ไปตามพิจารณากายถ้าหากเราไม่พิจารณาเราก็หลงกายพิจารณาเวทนาถ้าเราไม่พิจารณาเวทนาเราก็หลงเวทนาสติสามารถไปลบล้าง ตัณหาไม่ให้มันแทรกเข้ามาทางเวทนาได้สามารถไปลบล้างไม่ให้มันแทรกเข้ามาทางสัญญาได้สัญญาก็สักคำว่าเป็นสัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติกำหนดจดจ่ออยู่ตัวนี้เป็นตัวที่ร้ายกาศที่สุดแท้จริงสัญญาก็คือกิริยาอาการของจิตคือผู้รู้นั่นแหล ะ, ะแต่มันมีทั้งจำได้มันมีทั้งหมายรู้ไอ้คำว่าหมายรู้คือมันมีสิทธิ์ที่จะคาดที่จะเดาที่จะกะเกณฑอะไรต่ออะไรได้สารพัด ตัวนี้แหละเป็นตัวปลุกให้เราตื่นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนโผล่ขึ้นมาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเรายึดว่าเป็นตัวเราแล้วยังไม่พอมันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตอีกเราย้อนไปดูแล้วเราจะเห็นเวลาเราตั้งใจเราตั้งใจกําหนดจดจ่อไปที่ความอยากแล้วเราจะเห็นความอยากมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราเห็นนะทีนี้วิธีจัดการวิธีปฏิบัตินั้น ท่านให้ระลึกรู้ความอยากระลึกยุรู้ความอยากความอยากใดๆก็ตามที่เป็นไปตามหน้าของโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยาพยาบาทราคาทันหาถ้าหากความอยากเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสมุทยให้รู้จักเอาไว้รีบหยุดรีบชะลอรีบสงบรีบระงบรับ ร, บรีบเ ร, รียกพลังสติพลังปัญญาสติขึ้นมากำจัดเจาะให้มันสงบระงบับให้มันหยุดทันทีนี่เป็นสมุทย ถ้าเราสงบระงับอยู่ไม่ได้มันจะเหมือนกับระลอกน้ําแหละมันจะตีระลอกๆๆๆไปนนุ่นไปกระทบฝั่งคําว่ากระทบฝั่งในที่นี้หมายความว่ามันไปจนถึงโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสัพยาดนี่ในหัวใจของเรามันเป็นอย่างงั้นอันนี้เป็นเส้นเป็นสายเป็นทางเดินของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราอืมนี่คือความอยากอันหนึ่งนะเป็นไปตามอำนาจของสมุทยัยความอยากอีกอันนึงเป็นไปตามมรรค อยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากให้ทานอยากเจริญกรรมฐานอยากเจริญสมาธิอยากเจริญปัญญาอยากได้อัดได้ทำอยากได้มรรคผลอยากได้นิพพานอยากสร้างคุณงามความดีอันนี้เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราดูไปที่หลักอริยสัจสี่เราจะเห็นอันนี้เราจะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคการเห็นอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละ การเห็นอริยสัจทั้ง4เนี่ยที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจทั้ง4ี่เนี่ยท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทุกข์รู้ว่าสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังทุกขานิโรธอริยสัจจังคือความดับทุกข์ทุกขานิโรธาคารมณีปฏิปทาอริยสัจจังคือข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ อยากได้อาดได้ทาอยากได้มักผลอยากสร้างคุณงามความดีอันนี้เป็นเรื่องของมักแต่ถ้าหากเอาวิธีการสร้างนอกเหนือไปจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ไม่แน่ใจว่าจะถึงดีถึงดีจนถึงจุดสูงสุดได้เพราะพระองค์ได้มาด้วยการตรัสรู้ไม่ใช่ได้โดยการนึกการคิดการคาดการเดาหากบรรลุมาในลักษณะของญาณทัศนะพระองค์ขึ้นมาทันที จำแจ้งชัดเจนตามหลักข้อเท็จจริงของมันทั้งหมดนี่คือเรากําหนดไปที่ทุกย้อนไปดูสมุทยัยกำหนดไปที่ทุกเราก็ย้อนไปดูสมุทยัยเหมือนเรามีสติมีสัมพัญธ์ยะกำหนดจดจ่ออยู่การยึดถือเวทนาเราก็ยึดถือไม่ได้ยึดถือสัญญาสัญญากรุ๊บเป็นสัญญาสังขารกรุ๊บมันเป็นสิ่งปรุงจริงแต่งของจิตจิตคิดบุญจิตคิดบาป จิตปรุงบุญนะเป็นกุศลจิตจิตปรุงบาปเป็นอกุศลจิตจิตปรุงบุญจิตปรุงบาปคือสังขารมันปรุงมันปรุงภายในจิตของเราถ้ามันไม่นึกดีมันก็นึกชั่วถ้ามันไม่นึกชั่วมันก็นึกกลางๆคือความปรุงแต่เราใช้สติใช้สัมปชัญญะที่มีกําลังเหนือกว่าเห็นสักแต่ว่าปรุงไม่มีอะไรยึดสักอย่างเพราะสติปัญญามันเหนือกว่าวิญญาณก็เช่นเดียวกันเห็นก็สัจจะว่าเห็นไม่ได้ยึด อ, อะไรไม่ได้ยึด ไม่มีผู้ไปเห็นไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้ไปเห็นมีผู้เห็นอยู่มีสิ่งถูกเห็นอยู่แต่ไม่มีผู้เห็นมีที่ผู้รู้รู้แล้วก็รู้เห็นที่เธอเรียกว่ารู้เห็นรู้เห็นญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นญาณทัศนนะทั้งรู้ทั้งเห็นกลายเป็นว่าเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณจักว่าเป็นอาการของผู้รู้เรารู้จักอาการไหมอาการก็คือกิริยาที่แสดงออกมา เช่นอย่างปกติไฟธาตุไฟมันร้อนเย็นเช่นอย่างไฟพัดลมเอ่ยไฟแอร์เอ่ยไฟสว่างที่เราเห็นอยู่นี่นี่คืออาการของไฟไฟที่แท้จริงลองเรามาจุดเทียนเราหนูเรามือไปแยนที่ที่มันร้อนที่สุดนั่นแหละไอ้ที่เราเห็นเป็นแสงเห็นเป็นเหลืองเห็นเป็นแดงเห็นเป็นควันเป็นนั้นอันนั้นเป็นอาการของมันแต่ตัวไฟแท้ๆก็คือความร้อนเอามือเย็ไปแมวนั่นนั่นตัวนั้นแหละไฟ ผู้รู้ของเราที่แท้จริงผู้รู้ของเราที่แท้จริงเราทําใจให้สงบผู้รู้ว่าเราจะเด่นเราจะเริ่มค่อยๆเริ่มรู้ค่อยๆเริ่มเข้าใจค่อยๆเริ่มเห็นจิตของตัวเองจะค่อยๆเริ่มรู้เริ่มเข้าใจผู้รู้ของตัวเองกิริยาการที่มันเกิดขึ้นจากผู้รู้เราก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจเนี่ยการที่เราตั้งอกตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้มันช้มันล่างมันขัดมันเก่าขัดเก่ากันอยู่ตรงนี้แหละนี่คือที่ไปที่มา ปัญหามันเกิดเกิดตรงนี้มันดับก็ดับอยู่ตรงนี้เรามาตั้งความภาคความเพียนตั้งกระตั้งอยู่ตรงนี้พเพราะฉะนั้นเราพูดได้ว่าเวทนาเป็นที่รวมธรรมนะเรารักษาตัวได้เราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีบาไม่มีกรรมแต่ถ้าเรารักษาไม่ได้รักษาศีลเรารักษาไม่ได้ลุกอำนาจให้กับมันเพราะเราระวังระมัดระวังรักษาตรงนี้ไม่ได้ดีเหลือเกินดีเหลือเกินจิตออกติตใจเหลือเกิน อดไม่ได้ทนไม่ได้อยากไปเลยอยากเหลือเกินอยากเหลือเกินอยากไปเที่ยวอยากไปสนุกอยากไปเล่นอยากไปอะไรต่ออะไรนี่อดไม่ได้ทนไม่ได้รู้อำนาจให้กับมันนี่เพราะฉะนั้นเรามีสติมีปัญญากาหนดจดจ่โรอยอยู่ที่บาปไม่เกิดบุญก็ไม่เกิดบาปไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดบาปไม่เกิดก็เป็นบุญในตัวอยู่แล้ว เป็ น, เ ป, นเป็นบุญในตัวคือตัณหามัแทรกเข้ามาไม่ได้มันเลยดึงจิตของเราไปใช้งานอย่างอื่นไม่ได้นี่อันนี้คือการที่เราหมุนมาพิจารณามาตรงนี้อันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรย่อนมาที่จิตของเราเระลึกได้ทั้งสมถะเจริญได้ทั้งสมถะเจริญได้ทั้งการพิจารณาเป็นวิปัสนาอันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราตะล่อมหลอมลอมาพูดในแง่ของมหาเประฐฐาน ซึ่งเป็นมงกุฏกรรมฐานเราไปตั้งใจภาวนาจิตบางคนก็มีนิสัยจิตสงบหัวภาพมีนิมิตอย่างนั้นมีนิมิตอย่างนี้บางคนไม่มีทำท่าไรก็ไม่เห็นทำท่าไรก็ไม่มีแต่เราก็ไม่เสียท่าเราก็ไม่เสียทีเราก็ไม่เสียโอกาสเรามาตรงนี้มาตรงเส้นตรงตรงนี้เส้นตรงทางตรงหรือทางลัดก็ได้หรือทางตรงก็ได้เราจะมีภูมิหลัง เป็นผู้มียานพิเศษหรือเป็นผู้มีมีนิมิตพิเศษหรือเป็นผู้มีออกรู้ออกเห็นพิเศษบางคนมีนิสัยแต่บางคนไม่มีนิสัยแต่เราเจริญมาตรงนี้เราไม่มีนิสัยเราก็ไม่เสียเปรียบเราเจริญมาตรงนี้การที่เราสงบระงับดับตัณหาได้นี่ เ, เป็นบุญเป็นานิสงเป็นคุณสมบัติชั้นเลิศในการถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตามธรรมะคาสั่งสนอนของพระพุทธเจ้าเพราะ ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นมาจากสมุทยัยเราเห็นกิเลสนั่นแหละคือเห็นสมุทยัยกิเลสมันดับนั่นแหละคือสมุทัยมันดับลองดูกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดับหนึ่หัวใจของเราถ้าหากเราดับไม่ได้มันจะดึงไปจนถึงกองทุกข์สุดท้ายปลายแดนบางทีเราลงมาลงมือทําเป็นนาทีบางทีมันมีวิบากกรรมเป็นชาตินี้ทั้งชาติชาตินี้ยังไม่หมดแล้วก็พบหน้าอีกมารู้ตั้งกี่ชาติก็ยังไม่หมด ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระโมคคลลานะฆ่าแม่จะเสียเวลาถึง5นาทีอะไรหลังจากนั้นมาท่านก็นได้รับกรรมห้าร้อชาติเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าอันนี้คือวิบากกรรมแต่ถ้ า, ารับอดไม่ได้เราทนไม่ได้พุ้งไปละลุ้งอำนาจให้กับมันแป๊บเดียวเห็นไหมคือบาปกรรมจะลืมม้ว่าผลของการทํากรรมนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ให้ผลหนึ่งทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองมันให้ผลร้อยเท่าพันทวี มือนอย่างสัมมาทิฐิที่เราเจอเรนได้เราทําได้เนี่ยถ้าหากเราตั้งใจทําได้ปั๊บมันมีผลเมียในสงส่งเราเป็นสัมมาทิฐิทําให้เรารู้ดีทําให้เรารู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ละรู้วางรู้กิเลสรู้ตัณหารู้สารพัดที่เราจะพึงรู้ได้สามารถที่เราจะพึงรู้ได้รู้ทะลุผุโปร่งทั้งหมดเป็นสัมมาทิฐิแต่ถ้าเรากลับไม่ได้เราก็สวมรอยให้กัมมันตลุอำนาจให้กัมมันโอ้ยเป็นบาปเป็นกรรมอีกแล้วเนี่ย อานิสงส์ของการเห็นตัณหาอานิสงส์ของการสงบระงับดับตัณหามีผลมีอานิสงส์มากมายอย่างนี้เราทําดีก็ตามเราทําชั่วก็ตามไม่ใช่เราทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองให้ผลร้อยเท่าพันทวีเราดูแต่วิญญาณบางดวงเนี่ยเขาตกทุกข์ได้ยากเขามีโอกาสมาอ่านมรสนาแค่มาอ่านมรสนาเท่านั้นทําให้ร่างกายของเราเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับของเขาทําให้ภพภูมของเขาเปลี่ยนไปทันที จากภพภูมิที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากกลายเป็นเทวบุตรเทวดาขึ้นมาทันทีนี่คือการกลับใจคือการอนมโมทนาเอาส่วนบุญการกลับทิฏฐิจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดจากความไม่รู้เป็นผู้รู้การรู้หลักอริยสัจสี่จึงเป็นบันไดขั้นเริ่มพิจารณาเพื่อที่จะเข้าละเอียดลึกถึงไปถึงสัจธรรมละเอียดลึกซึ่งถึงขั้นทําลายภพทําลายชาติแท้ที่จริงก็คือ พยายามสงบระงับดับหรือละตันหาเพราะตันหามันเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานมันเกิดโดยอัตโนมัติของมันอุปาทานคือถือเอายึดเอามันเป็นโดยอัตโนมัติของมันเมื่อเกิดอุปาทานแเกิดพบแห่เหมือนอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดถึงกาแฟแนี้นั่นอ่ะถ้าเราจะเทียบมันมกับพบพบหนึ่งที่จิตของเราไปโผล่แล้วสักหน่อยหนึ่งพอเราเลิกจากนี้ไปเราก็จะไปโผล่แล้วนั่นคือชาติแล้วไปเกิดแล้ว นึกถึงกาแฟโอ้ติดรสติดชาเข้ามานะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้ น, ร, น, นร้านนั้นอะ่ะดีนะนั่นคือพบไม่ไเกิดแล้วแสดงว่าเรายดึดนี่คืออุปาทานมันพายยึดเลยนะอุปาทานมันพายยึดแล้วตรงนั้นตรงนั้นพอหลังจะลองจากนี้ไปไปโผล่ตรงนั้นเลยนั่นะคือชาติเราไปเกิดแล้วจากนั้นเราไปได้ใส่ได้อะไรสมหวังนั่นแหละแต่ไอเรื่องของกองทุก เ, เรื่องของกองทุกมันมีผลตามมาอย่างนี้ทำหนึ่งไม่ใช่ได้หนึ่งได้สอง ทำหนึ่งได้ผลร้อยเท่าพันธวีจึงเป็นเหตุให้เราระมัดระวังแค่เราทำบุญให้ทานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเราดูแต่พุทธเจาท่านทรงตรัสเอาไว้สังเวชสังเวชสังเวชชนิยสถานนั่นสี่ทั้งหมดน่ะที่ประสูตรที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักที่ปณิพานเป็นสังเวชชนิยสถานที่กุลบุตร เข้าไปกราบไหว้ระลึกนึกถึงเกิดความสลดเกิดความสังเวชถ้าหากใครไปแล้วเกิดความสลดเกิดความสังเวชจิตใจของเราน้อมนึกระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณคือรูปุติเจ้าพระธรรมประสงค์คิดถึงความยากความลําบากของท่านมีจิตใจอ่อนนิ่มที่ท่เรียกว่าเกิดสังเวชสังเวชใจเกิดสังเวชใจในขณะนั้นจิตของเราจะอ่อนจิตของเราจะนิ่มจิตของเราจะเป็นสมาธิจิตของเราจะเป็นความสุขอยู่ในนั้นในขณะนั้น แค่เย็บแวบเดียยในหัวใจดวงดวงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าสามารถไปสู่สุขคติได้มีประโยชน์สำหรับพวกเราผู้เป็นกุลบุตรสุดท้ายไปหลังไปกราบไปไหว่อย่างนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ไม่ใช่ไม่มีมีไปเจอมาแล้วไปประสบพบเห็นมาแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรสังเวช ท, ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแน่แน่อะไรอ่ะ โอนี่ที่ไปอาจารย์สงบเนี่ยลงเดินออกไปแล้วเนี่ยอาจารย์สงบเนี่ยลงเดินออกไปแล้วเจอมาแล้วอาจารย์สงบเจอมาแล้วได้ยินเสียงเครื่องหนึ่งขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาอีกลงไปเลยลงธรรมะไปเลยดูตามบนตามอะไรทีนี้ ไอ้ผู้ที่ตั้อกตั้งใจฟังะโอ้ยร้างแล้ว <c oughs> ใครอยากได้ไปทําไปฟังทีวันตามไปฟังทีวัน <c oughs> <c oughs> อ๋อเทาที่พูดมาที่ว่าพวกเราได้ข้อปฏิบัตินะมีความเข้าใจถึงขั้นไหนระดับไหนละอะการรู้จักทุกรู้จักสมุทยัยเหตุใดเกิดทุกความยากนั่นแหละยากหนึ่งตามอณฑรของสมุทยัยยามละยากนหนึ่งตามอณฑรของมัด ไม่ใช่ว่าไม่รู้พวกเราได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วอาอรยมรตมีองค์แปดสินสมาธิปัญญาไม่มีใครไม่รู้หรอกแค่เราไปเริ่มเริ่มเจริญสินปั๊บนั่นน่ะคือเริ่มเจริญมรตแล้วอย่าลืมว่าเริ่มเจริญสินเนี่ยเริ่มต่อสู้กับตัณหานะไม่เริ่มต่อสู้กับตัณหาได้ยังไงนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามเราลองไปตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเว้นลองดูเราดูว่าจิตของเรามันต่อสู้กับไอ้ที่มันเคย ฉันมีชํานาญมามันเคยติด อ, อกติดใจมาหรือมันต่อสู้กันขนาดไหนรองโต๊ต่อสู้เราไม่อยากสินขาดเราจะต้องต่อสู้ต้องอดต้องทนต้องมีกําลังต้องมีพลังอดไม่ได้ทนไม่ได้ลุ้อำนาจให้กับมันเออยอมไปสอีกยอมไปอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเอาใหมย่ยอมไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่ยอมไปยอมมาเละทั้งหมดเลยเอาไม่ได้ดีอะไรสักอย่างปรับจิตปรับใจปรับนิสยัยตรงนี้ไม่ได้นี่ แค่เริ่มรักษาศีลเราจะเริ่มต่อสู้กับตัณหาและการที่จะเราตั้งใจรักษาศีลเดินตามมัด ก, การที่เรารักษาไม่ได้เพราะมันมายุแย่ให้เราอ่อนแอไปตามมันสมุไทยมันมาเกาะนะถ้าจเจริญไปได้ละได้อย่างสะดวกสบายนี่คือมัอมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิ บ, บัติทาให้ใจได้รับความสงบต้องการนั่งสิบนาทีต้องการนั่งครึ่งชั่วโมงก็ตั้งอกตั้งใจทําได้ตามนั้น นั่งได้แค่หนาทีถูกมันก็ซิบกระซาบแล้วอดร่นทนไม่ได้ลุกขึ้นไปแล้วไปพูดไปคุยไปเล่นไปนูน่นไปนี้เสียเวลาไปเท่าไรไม่คํานึงและไม่คำหนึงหน่งนี่คือลู้อำนาจให้กับมันในขณะที่เราเจริญมากส ม, มุทัยมันก็ตามมาเล่นงานอยู่นะเราพยายามจับไปที่หลักอริยสัจสีแล้วมันจะมีข้ออธิบายปลีกย่อยพันกับที่เราพยายามพูดมาทั้งหมดนี้และพยายามเอาสติเอาสัมผััญญาเอาสมาธิ เอาความภาคความเพียรความอดความทนการตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาเพื่อมาสงบระงับดับลงไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในหัวใจของเรามาถึงตอนนี้น่าจะพอสมควรแก็เวลาหยุดพักระงับไปแต่เพียงเท่านี้หากมีอะไรจะคุยกันสนทนาก็ได้บ้างตามสมควรแก่เวลาจบลงเพียงเท่านี้ก่อน